หัวข้อหลักที่สองเราจะทำอย่างไรพัฒนากำลังคนขึ้นไปให้มีคุณสมบัติตามหลักการการที่จะชำระสาสะรสางปัญหาและฟื้นฟูความเจริญมั่นคงของพระาศาสนานั้นในระยะยาวจะต้องวางรากฐานให้แน่นหนา ถ้ามีความคลาดเคลื่อนออกไปก็ต้องรื้อและจัดปรับกันใหม่ให้ถูกจุดถูกที่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำในตอนนี้ก็คือ 1. การทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วดึงกันกลับเข้าสู่หลักการนั้น 2. การพัฒนาชาวพุทธให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อพระศาสนา และเจริญงอกงามต่อไปด้วยการศึกษาที่ถูกต้อง 3. การจัดปรับระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านที่วิปริตผิดเพี้ยนไปให้กลับเข้าสู่แนวทางที่เกื้อกูลกันเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัายอย่างแท้จริงพูดสั้นๆว่าเรื่องหลักการเรื่องคุณสมบัติของคนและเรื่องระบบ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพุทธบริษัทในเรื่องหลักการได้พูดไปแล้วพอเป็นข้อพิจารณาควรจะพูดถึงสองเรื่องที่ยังค้างอยู่ต่อไปอีกจากเหตุการณ์ร้ายต่างๆทางพระศาสนาที่พูดมานั้นก็เป็นอันถึงเวลาที่พระเนนในฐานะผู้ที่อยู่วงในของพุทธบริษัทจะต้องลุกขึ้นมาเตรียมตังต้งตัวให้เข้มแข็ง แล้วช่วยกันรับผิด ช, ชอบต่อพระศาสนาไม่เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นต้องรวมทั้งญาติโยมชาวพุทธด้วยทั้งหมดเพราะพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพุทธบริษัททั้งสี่คือทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิ ก, กาหรือจะเรียกโดยย่อเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายบรรพชิตได้แก่พระสงฆ์และฝ่ายเครือขัดหรือชาวบ้าน สิ่งที่จะต้องทาเบื้องแรกก็คือการที่จะต้องมีจิตสํานึกในเรื่องของส่วนรวมส่วนรวมก็คือพระศาสนาและสังคมเวลานี้จะต้องนึกถึงพระศาสนาและประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่อย่าเห็นแก่ตัวบุคคลถ้าคิดแต่จะเอาบุคคลไว้พระศาสนาจะพินาศแต่ถ้าเราเอาพระศาสนาเป็นหลักไว้พระศาสนาอยู่ ถ้าบุคคลไม่ทำตัวนอกออกไปก็อยู่ภายในพระศาสนานั่นเองการที่จะรักษาพระศาสนาได้เราก็ต้องตั้งตัวลุกขึ้นมาและช่วยกันรับผิดชอบโดยเริ่มที่ตัวเองคือแต่ละบุคคลจะต้องทำตัวเองให้ตั้งอยู่ในหลักให้ได้ก่อนการที่จะมีหลักก็คือต้องพัฒนาคุณสมบัติขึ้นมาในตัวจะต้องดูตัวเองว่า เราในฐานะเป็นภิกษุสัมมาเนนมีคุณสมบัติของผู้สืบศาสนาหรือเปล่าถ้าเราไม่มีคุณสมบัติแล้วจะไปทำหน้าที่ได้อย่างไรเราอาจจะมองง่ายๆด้วยความภูมิใจว่าตัวเรานี้เป็นผู้สืบต่อพระศาสนาแต่การที่จะสืบต่อพระศาสนานั้นลำพังว่าบวชเป็นภิกษุสัมมเนนไม่พอหรอกเพียงดำรงเพศเป็นบรรพชิต จะเป็นผู้สืบต่อพระศาสนายังไม่ได้ต้องทําตัวให้เป็นภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ตัวเองต้องตั้งอยู่ในหลักโดยพัฒนาคุณสมบัติขึ้นมาเมื่อตัวเองมีคุณสมบัติดีตั้งหลักได้แล้วก็ใช้คุณสมบัติความรู้ความสามารถความดีงามนั้นออกมาทากิจหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่ต่อวัดของตน ต่อพระศาสนาและต่อสังคมถ้าได้ทั้งสองขั้นนี้ก็ทาหน้าที่สืบต่อพระศาสนาได้ที่ว่าจะพัฒนาคุณสมบัติให้มีในตัวนั้นเป็นอย่างไรในกรณีนี้เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของพระเนนก็รวมถึงพุทธบริษัทหมดทั้งสี่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ได้จำกัดจำเพาะเจาะจงว่าเป็นฝ่ายใดแต่เริ่มที่พระภิกษุทั้งหลายก่อนเพราะเป็นกลุ่มแรกในพุทธบริษัททั้งสี่นั้นซึ่งควรจะเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างและรับผิดชอบเป็นพิเศษคุณสมบัติอะไรจะเป็นมาตรฐานสาหรับวัดว่าพระเนนของเราตลอดจนชาวพุทธทั้งหมด มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นหลักในตัวหรือไม่จับเอาพุทธพจน์ตอนพระพุทธเจ้าจนจะปรินิพานเป็นดีที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองขอให้ย้อนไปนึกถึงพระพุทธประวัติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานมีเหตุการณ์สำคัญคือการปลงพระชนมยุสังขารพระเนนทุกรูปได้เรียนพุทธประวัติตอนนี้ว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานสามเดือนได้มีเหตุการณ์สาคัญคือการที่พระองค์ทรงลงพระชนมายุสังขารแต่เรามากักไปเน้นความสาคัญแค่ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าลงพระชนมายุสังขารก็คือตรัสบอกล่วงหน้าว่าอีกสามเดือนจะปรินิพานคิดกันแค่เหตุการณ์แต่จุดสาคัญแท้จริงอยู่ที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไร เบื้องหลังการปลงพระชนมายุสังขาร น, นั้นมีเรื่องราวเหตุผลมาอย่างไรย้อนไปดูอีกทีเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ก็มีเรื่องว่ามานไดมาอาราธนาให้ปรินิพานก็ต้องถามต่อไปว่ามานมาอาราธนาแล้วทาไมพระพุทธเจ้ารับก็ได้ความว่าเพราะมานได้ทวงตามที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่า ตราบไดที่พระสาวกของพระองค์ที่เป็นพุทธบริษัททั้งสีเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามยังไม่มีคุณสมบัติสามประการพระองค์จะยังไม่ปรินิพพานก่อนหน้านั้นมานเคยมาอารัธนาแล้วพระองค์ได้ตรัสคำนี้และไม่ยอมรับอารัธนาของมารจึงทรงดารงพระชนมายุ ปฏิบัติศาสนา ก, กิจต่อมาจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายก่อนปริณิพานสามเดือนเมื่อมาร์มาทวงอีกคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นจริงตามที่มาร์ว่าพุทธบริษัททั้งสี่มีคุณสมบัติพร้อมแล้วพร้อมอะไรก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนตัวแทนองค์พระสัสดาทำหน้าที่สืบต่อพระศาสนาได้เพราะฉะนั้น พระองค์จึงยอมรับอารัธนาที่จะปริณิพานจุดเน้นในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าถ้าพุทธบริษัทยังไม่เก่งกล้าสามารถยังไม่มีคุณสมบัติพอพระองค์จะไม่ปรินิพานการที่จะยอมรับอารัธนาก็เพราะพุทธบริษัททั้งสี่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรักษาสืบต่อพระศาสนาเสมือนเป็นตัวแทนของพระองค์ได้ ฉะนั้นพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงคุณสมบัติของพุทธบริษัทสาประการนี้จึงถือว่าสำคัญมากเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดว่าพระสงฆ์และญาติโยมมีความสามารถพอที่จะรักษาพระศาสนาได้หรือไม่ถึงกับพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าพระองค์จะปรินิพานหรือไม่ดังนั้นถ้าพุทธบริษัททั้งสี่ มีคุณสมบัติสามประการนี้ก็แสดงว่าเราสามารถรักษาพระศาสนาได้ในทางตรงข้ามถ้าขาดคุณสมบัติสามประการนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีความสามารถจะรักษาพระศาสนาคุณสมบัติสามประการนี้คืออะไรไปดูได้ในมหาปริญญนิพพานสูตรมีสามข้อด้วยกัน ได้ตรัสไว้เป็นข้อความภาษาบาลียาวพอสมควรแต่เอาสาระสำคัญว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือพระสงฆ์และญาติโยม 1. เป็นผู้มีปัญญากล้าวกล้าสามารถฝึกอบรมดีแล้วเป็นพรหูสูตรได้เล่าเรียนสะดับตรับฟังมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรม 2เรียนคําสอนของอาจารย์แล้วเอาไปบอกเอาไปแสดงเอาไปสั่งสอนชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นรู้เข้าใจตามได้คือทั้งมีเมตตากรุณามีน้ําใจและทั้งมีความสามารถในการที่จะนําเอาธรรมวินัยที่ตนเองได้เล่าเรียนแล้วไปแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแก่ผู้อื่นต้องสํารวจตัวเองไม่ใช่เฉพาะพระเนนเท่านั้นต้องโยมด้วยว่า เรานี้มีความรู้พระศาสนาถึงขั้นที่จะไปบอกเล่าแนะนำชี้แจงแก่ผู้อื่นได้ไหมอย่างน้อยก็ลูกของตัวเองในครอบครัวคนที่อยู่ในความรับผิดชอบต้องแนะนำสั่งสอนเข้าได้ 3, เมื่อมีปรับวาดคือคำกล่าวจ่วงจาพระธรรมวินัยคำกล่าวนอกรีบนอกรอยผิดหลักพระศาสนาเกิดขึ้น ก็สามารถแสดงธรรมกำหรับคำสอนที่ผิดพลาดนอกหลักการนอกธรรมวิเนยนั้นยังได้ผลจริงจังขอสรุปอีกทีว่าคุณสมบัติของพุทธบริษัทสมอย่างคือ 1. คุณสมบัติภายในตัวเองรู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรม 2. คุณสมบัติที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นมีความรู้ความสามารถและมีน้ำใจที่จะบอกกล่าวแนะนำชี้แจงสั่งสอนหลักธรรมหลักพระศาสนาแก่ผู้อื่น 3. คุณสมบัติที่จะปฏิบัติต่อพระศาสนาสามารถแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาแก้ไขกำราบคำสอนที่ผิดพลาดและคำกล่าวร้ายต่างๆ สำเร็จได้โดยถูกต้องสามข้อนี้ถ้าชาวพุทธทำได้ก็รักษาพระศาสนาได้ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั้นชัดเจนว่ามีพระสาวกผู้ใหญ่มากมายและมีอุบาสกอุบาสิกาที่เก่งกล้าเป็นเอตัทัคคะมิใช่เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นอุบาสกก็มี อย่างจิตตะคฤหาบดีก็เป็นเอตาทักฆะทางธรรมกถึกอย่างนางอุตราอุบาสิกาก็เป็นเอตตทัะในทางพระหูสูตรเก่งๆกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าพุทธบริสัททั้งสี่เวลานั้นมีความรู้ความสามารถพอจะรักษาพระศาสนาแทนพระองค์ได้แล้วพระองค์จึงโปรงพระไทยจะปรินิพาน ตอนนี้เราต้องมาดูว่าพวกเราปัจจุบันเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาไหวไหมคุณสมบัติสมข้อนี้ใช้ได้ตลอดการเพราะเป็นมาตรฐานจากพุทธดารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองชาวพุทธจะต้องใช้วัดคุณสมบัติของตัวเองอยู่เสมอ